พระรตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่22ปัญรรจักะนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีห้าข้อตัิยะปัรณาตหมวดห้ 1, าสิบที่สามวคที่หนึ่งาสุวิหารวักว่าด้วยความอยู่เป็นภาสุตรัสแสดงธรรมะที่ทำให้กล้าวกล้าห้าอย่างคือการที่มีศรัทธามีศีลมีการสดัรตรับฟังมาก ปรารบความเพียนมีปัญญาตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างทำให้ถูกรังเกียจว่าเป็นภิกษุชั่วแม้จะเป็นพระอระหันต์ก็ไม่พ้นถูกรังเกียจคือหนึ่งเที่ยวไปในที่อยู่ของหญิงแพทยสยาสองเที่ยวไปในที่อยู่ของหญิงไม้สา 3. เที่ยวไปในที่อยู่ของสาวใหญ่ คำนี้โบราณเรียกว่าหญิงเถ้อ 4. เที่ยวไปในที่อยู่ของกระเทย 5. เที่ยวไปในที่อยู่ของนางภิกษุณีส่วนนี้อัตถกถาแก้ว่าไปเสมอเสมออันแสดงว่าถ้ามีธุระเป็นกิจจาลักษณะและมีเหตุสมควรไปได้ตรัสว่าภิกษุชั่วเปรียบเหมือนโจร อาศัยสิ่งต่างห้าอย่างมีทางอันไม่สม่ำเสมอเป็นต้นทางไม่สม่ำเสมอเทียบด้วยการกระทำทางกายวาจาใจอันไม่สม่ำเสมอทรงแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างเป็นสมณะละเอียดอ่อนคือหนึ่งมีคนขอร้องจึงบริโภคปัจจัยสี่มากไม่มีคนขอร้อง ก็บริโภคน้อย 2. เพื่อนพรมจารีประพฤติต่อเธอโดยกายกรรมวัจจกรรมบัโนกรรมอ น, น่าพอใจนำเข้าไปแต่สิ่งที่น่าพอใจโดยมากในทางไม่พอใจน้อย 3. มีโรคน้อย 4. เข้าฌานที่หนึ่งถึงที่4ได้ตามปรารถนาทําทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะทรงแสดงว่าเมื่อกล่าวโดยชอบก็อาจกล่าวถึงพระองค์ได้ว่าสมณะละเอียดอ่อนทรงแสดงการอยู่เป็นสุขห้าอย่างคือตั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตามีศีลอันดีงามเสมอ ก, กันกับเพื่อนปรมจารี มีความเห็นอันดีเสมอกันกันกบเพื่อนปรมจารีตรัสกับพระอานนุ์ว่าเพียงด้วยเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ภิกษุก็จะพึงอยู่เป็นผาสุขคือหนึ่งภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองไม่ทำผู้อื่นให้เป็นไปหรือตั้งอยู่ในอธิศีลข้อนี้หมายถึง แม้ไม่ต้องชักชวนคนอื่นก็ดีพอแล้วสองพิุเพ่งเลงตัวเองไม่เพ่งเลงบุคคลอื่นข้อนี้คือแม้ไม่เพ่งเลงคนอื่นเพียงแต่เพ่งเลงตัวเองก็พอแล้วสภิกษุไม่มีใครรู้จักมากแต่ก็ไม่สะดุ้งกลัวด้วยข้อนั้นสได้ฌานที่หนึ่งถึงที่สี่ตามปรารถนา หาทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตตวิมุตติาทัทสนะว่าทาให้ภิกษุเป็นผู้ควรของคำนับของต้อนรับเป็นเนื้อนาบุญของโลกและตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างชื่อว่าเป็นผู้ไม่ติดขัดในสี่ทิศ คือมีศีลมีการสดับรับฟังยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ได้ฌานสี่ตามปรารถนาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะและส่งแสดงว่าภิกษุเช่นนั้นควรเสพเสนาสนะป่าอันสงัดวรที่สองอันทกะวินทวัค ว่าด้วยเหตุการณ์ในเมืองอันทกานะวินทักตรัสว่าภิกษุผู้เข้าสกุลคือเข้าไปฉันเป็นประจำประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจในสกุลคือสนิทสนมกับผู้ไม่คุ้นเคยไม่เป็นใหญ่แต่ทําเป็นเจ้ากี้เจ้าการชอบคนสกุลที่แตกกันชอบกระสิบที่หู ขอมากเกินไปแล้วส่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างไม่ควรถือเอาเป็นปัจฉาสมณะในวงเล็บพระเดินตามหลังคือไปไกลหรือใกล้เกินไปไม่รับสิ่งที่มีอยู่ในบาทไม่ห้าเมื่อพูดใกล้จะเป็นอาบัตพูดขัดในระหว่างที่กำลังพูด มีปัญญาสามแล้วส่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างไม่ควรเข้าสัมมาส ม, มาธิคือไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสโอทั พ, ทพแล้วส่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้ามตรัสสอนพระอานน์ ให้ชักชวนภิกษุบวชใหม่ให้ตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการคือให้มีศีลสำรวมในพระปาติโมกข์ให้สำรวมอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้พูดน้อยให้เสพเสนาสนะอันสงัดให้มีความเห็นชอบตรัสว่านางภิกษุณีประกอบด้วยธรรมะห้าประการยอมตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ เหมือนถูกนำไปตั้งไว้คือตรณีอาวาสตรณีสกุลหมายถึงไม่อยากให้สกุลที่เกี่ยวข้องกับตนอุปการะผู้อื่นตรณีลาบตรณีความดีคือทนฟังเขาสรนเสริญผู้อื่นไม่ได้ตรณีธรรมะคือไม่สอนธรรมะแก่ผู้อื่นความตรณีที่กล่าวมาทั้งหมดย่อมตกนรกเหมือนถูกนำไปตั้งไว้ ส่วนการขึ้นสวรรค์เป็นทางตรงกันข้ามกับแสดงความชั่วความดีของนางภิกษุณีผู้จะชื่อว่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อีกหลายในวั์ที่สากิลานวัดว่าด้วยคนไข้ตรัสสอนภิกษุไข้ว่าถ้ามีธรรมะห้าอย่าง ก็มีหวังว่าจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ไม่นานคือพิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามกําหนดหมายว่าปฏิกูลในอาหารกําหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงกําหนดหมายในความตายตรัสว่าภิกษุหรือภิกษุณีผู้เจริญธรรมะห้าอย่าง ย่อมหวังผลได้สองอย่างคืออรหัตตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีกิเลสเหลือก็จะได้เป็นพระอนาคามีได้แก่การตั้งสติภายในเพื่อมีปัญญาเห็นความเกิดดับแห่งธรรมะนอกนั้นเหมือนข้อธรรมะของภิกษุไข้ข้อหนึ่งถึงสี่ที่กล่าวมาแล้วตรัสถึงคนไข้ที่พยาบาลยากและพยาบาลง่าย คนไข้ที่ไม่ดีและดีส่งแสดงธรรมะที่ตัดรอนอายุห้าประการคือทําสิ่งที่ไม่สบายไม่รู้ประมาณในสิ่งที่สบายกินของที่ไม่ย่อยหรือย่อยยากเที่ยวไปผิดเวลาไม่ประพฤติรมจันแล้วส่งแสดงธรรมะที่ให้อายุยืนในทางตรงกันข้าม กับทรงแสดงธรรมะที่ตัดร้อนและทำให้อายุยืนอื่นอีกเปลี่ยนแต่ตอนท้ายสองข้อคือสี่ทุศีลหคบคนชั่วเป็นมิตรกับทรงแสดงฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามทรงแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างไม่ควรอยู่ตามลำพังแยกจากประสงค์คือไม่สันโดษ ด, ด้วยปัจจัยสี และมากด้วยความตรึกในกามกับทรงแสดงฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามสันโดษด้วยปัจจัยสี่สันโดษคือความยินดีตามมีตามได้หรือยินดีด้วยของของตนไม่ยินดีของของคนอื่นทรงแสดงทุกข์ของสมณะห้าอย่างคือไม่สันโดษด้วยปัจจัยสี่กับประพฤติรมจรรย์อย่างไม่ยินดี ส่วนสุขของสมณะตรงกันข้ามทรงแสดงบุคคลห้าประเภทที่จะต้องไปอบายนรกอย่างไม่มีทางแก้คือผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อด้วยจิตคิดประทุษร้ายทำสงให้แตกกันทรงแสดงความเสื่อมห้าอย่าง คือความเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมเพราะโรคเสื่อมศีลเสื่อมเพราะทิฏฐิแล้วตรัสว่าสามข้อต้นคือเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมเพราะโรคไม่ทําให้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกแต่ความเสื่อมศีลเสื่อมเพราะทิฏฐิทําให้เข้าถึงอบายเป็นต้นแล้วทรงแสดงความถึงพร้อมในทางตรงกันข้ามและว่า สองข้อหลังคือการเจริญด้วยศีลเจริญด้วยคิดถิ่นทำให้เข้าถึงโลกสวรรค์วักที่สี่ราชวรกว่าด้วยพระราชาทรงแสดงองค์ห้าว่าทำให้พระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงหมุนจักรไปได้โดยไม่มีใครหมุนกลับ และทำให้พระตถาคตหมุนธรรมาจากไปได้ไม่มีใครหมุนกลับคือความเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรคือประชุมชนและส่งแสดงว่าองค์ห้านี้ทำใหโอรสของพระเจ้าจั ก, กรพัฒน์ทำได้เช่นเดียวกับพระราชบิดาและทำให้พระสาวรีบุตรทำได้เช่นพระตถาคต ต่อจากนั้นทรงแสดงคุณธรรมของพระเจ้าจากักรพรรดิเทียบกับของพระตถาคตคุณธรรมของพระราชาคุณธรรมของเช้ทโปรสแห่งพระราชาเทียบกับของภิกษุในส่วนของคุณธรรมหประการของภิกษุซ้ำกับที่เคยกล่าวมาแล้วในประธานิยังคาห้า ทรงแสดงถึงผู้หลับน้อยตื่นมากห้าประเภททรงแสดงถึงช้างของพระราชาที่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสโอพพะเทียบด้วยภิกษุผู้มีคุณธรรมเช่นนั้นและแสดงคุณสมบัติอื่นอีกเช่นรู้จักฟังรู้จักฆ่ารู้จักรักษารู้จักอดทนรู้จักไปเทียบคุณธรรมของภิกษุ วักที่หชื่อติกันท ก, กีวักว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าติกันท ก, กีทรงแสดงบุคคลห้าประเภทคือหนึ่งให้แล้วดูมิน 2. อยู่ด้วยกันแล้วดูมิน 3. มีหน้ารับเอาหมายถึงหูเบาเชื่อง่ายสโลเลหโง่เงา คือไม่รู้ธรรมะอันเป็นกุศลอกุศลตรัสแสดงบุคคลห้าประเภทคือหนึ่งผู้ริเริ่มเดือดร้อนสองผู้ริเริ่มแต่ไม่เดือดร้อนสไม่ริเริ่มและเดือดร้อนสไม่ริเริ่มไม่เดือดร้อนอย่างแรกห ไม่ริเริ่มไม่เดือดร้อนอย่างหลังโดยอธิบายว่าริเริ่มหรือไม่ริเริ่มได้แก่รู้หรือไม่รู้เจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ตามเป็นจริงเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนได้แก่อกุศสนระบาธรรมดับไปโดยไม่เหลือหรือไม่ดับมีคำอธิบายพิเศษเฉพาะข้อหลังที่ว่าไม่ริเริ่มและไม่เดือดร้อนนั้น คือทั้งรู้วิมุตตตามเป็นจริงและอกุศลละบาบธรรมดับไปโดยไม่เหลือเจ้าลิชวีสนทนากันว่าความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้าคือช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขุนพลแก้วหาได้ยากในโลกตรัสตอบว่าความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้า คือพระตถาคตพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วผู้แสดงพระธรม ร, ร, ะธรมวินัยนั้นผู้รู้พระธรรมวินัยนั้นและผู้ที่รู้แล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นหาได้ยากในโลกตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายพิจารณาในเรื่องปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและปฏิกูลเป็นต้นยักย้ายหลายในเพื่อไม่ให้เกิดราคะโทสะโมหะและให้มีสติสัมปชัญญะวางเฉยได้ในสิ่งเหล่านั้นตรัสเรื่องกุลเมสินห้าเป็นผู้ตกนรกผู้ปฏิบัติตามสินห้าเป็นผู้ขึ้นสวรรค์ตรัสเรื่องภิกษุผู้เป็นมิตร ที่ไม่ควรครบและควรครบผู้ไม่ควรครบคือหนึ่งให้ทำการงานมีธรรมนาเป็นต้นข้อนี้จะทำเองหรือคุมให้ทำสั่งให้ทำก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 2. ก่ออธิกรณ์ประพฤติผิดในภิกษุผู้เป็นใหญ่เป็นประธาน 4. เดินทางนานเดินทางโดยไม่มีจุดหมาย คือใช้เวลาให้ล่วงไปในการเดินทางห้าไม่สามารถชักชวนปลอบใจผู้อื่นด้วยธรรมิกถาตามการอันสมควรส่วนป่ายดีหมายถึงภิกษุที่ควรครบคือท่ตรงกันข้ามตรัสแสดงอสัพพุริสถานและสัพพุริสถานหมายถึงทานของคนชั่วและคนดี อย่างละห้าคือให้ทานด้วยไม่เคารพให้ไม่ดีงามไม่ให้ด้วยมือของตนให้สิ่งที่เป็นเดนหรือให้เหมือนอย่างทิ้งขว้างให้โดยไม่เห็นอนาคตคือปราศจากความเชื่อในผลของทานส่วนที่ดีคือตรงกันข้ามตรัสแสดงสัพบุริสทานพร้อมทั้งผลอีกห้าอย่าง คือให้ทานด้วยศรัทธาทำให้รูปงามให้ทานด้วยความเคารพทำให้บุตรภริยาบ่าวไพร่เชื่อถ้อยฟังคำให้ทานตามการทำให้ความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ทำให้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคในการมาคุณห้าอันโอลานหมายถึงมีทรัพย์แล้วได้ใช้ ไม่เหมือนบางคนที่มั่งมีแต่ไม่คิดใช้ยอมอดอยากและข้อสุดท้ายให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นทำให้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นไม่ถึงความวิบัติจากไปจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากผู้ไม่ชอบกันจากทายาทและสำหรับหัวข้อนี้ก่อนที่จะตรัสแสดงผลพิเศษของแต่ละข้อ ได้แสดงผลเหมือนๆกันทุกข้ออย่างหนึ่งคือทำให้มั่งคั่งสับมากทรงแสดงว่าธรรมะห้าอย่างคือความยินดีในการงานหมายถึงการงานแบบเข้าหรือหัดหรือชาวโลกความยินดีในการพูดมากในการนอนหลับในการคลุกคลีด้วยหมู่การไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้ว เป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้หลุดพ้นเป็นครั้งคราวคือยังไม่หลุดพ้นเด็ดขาดส่วนฝ่ายดีเป็นตรงกันข้ามและทรงแสดงธรรมะหที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเช่นนั้นอีกเป็นแต่เปลี่ยนข้อสี่กับข้อหเป็นไม่สำรวมอินทรีย์กับไม่รู้ประมาณในโชนะคือไม่รู้ประมาณในการกินแล้วทรงแสดงฝ่ายดี ลรงกันข้าม